จะรู้ดีกันอยู่แล้วสิ่งสําคัญคือว่ากายกับใจนี่ก็ช่วยกันทําให้ชีวิตของเราดําเนินไปได้รวมทั้งช่วยให้เราได้สัมผัสกับความสุขด้วยคนเราจะมีความสุขได้นี่ก็ต้องอาศัยกายและใจช่วยกันลําพังกายอย่างเดียวนี่มันไม่พอนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ให้ไปให้ความสําคัญกับเรื่องกายจนลืมใจเรากินอาหารอร่อยอร่อยก็ตามนะแต่ถ้าเกิดว่า ใจกำลังเศร้าโศกเสียใจก็ไม่รู้สึกว่าอาหารนั้นอร่อยเลยหรือว่าฟังเพลงที่เพราะแต่ว่าใจกำลังกังวลวิตกอยู่ก็ยากที่จะมีความสุขจากการฟังเพลงได้หรือว่ากำลังเครียดกำลังหมกบุญคุนคิดอยู่เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้จะกินอาหารที่ประณีตเลอเลอะก็ไม่รู้สึกว่ามีความสุขเลย ใ, ใจของเรานี่มันเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะทำให้เรามีความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราอาจจะกินอาหารที่กำลังอร่อยอาหารที่ทำดีแต่ถ้าใจเราไปคิดว่าภาชนะที่ใส่อาหารนั้นเช่นจานชามมันไม่สะอาดเราก็จะรู้สึกว่าอาหารนั้นนี่มันไม่น่ากิน ถ้ากินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่อร่อยเพราะว่าใจนี่ไม่ไปรู้สึกไม่เอออไปพร้อมกับลิ้นที่เราสัมผัสอาหารด้วยบางครั้งนี่ใจของเรานี่ก็อาจจะเป็นตัวการทำให้ความทุกข์มันเพิ่มผูนมากขึ้นอาจารย์ประเวศเคยเล่าถึงผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นผู้ชายก็เป็นวัยชักกันแต่ว่าต้องนอนเปลมาตัวซีด ไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงที่จะเดินมาหาหมอก็นอนเปละมาให้อาจารย์ประเวศช่วยรักษาอาจารย์ประเวศก็เป็นหมอทางด้านโลหิต ท, ทางด้านเลือดก็ตรวจคนไข้นะดูอาการแล้วพูดคุยกับคนไข้สักพักก็หันไปคุยกับนักศึกษาแพทย์นะที่มาช่วยงานบอกว่าคนไข้นี้ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะเป็นแค่โลหิตจางเพราะว่า มีพยาตาขอเดี๋ยวให้กินธาตุเหล็กก็จะดีวันดีคืนโรคนี้รักษาง่ายพูดจบก็หันไปมองคนไข้พราะว่าคนไข้นี่ลุกขึ้นมายืนได้เลยแล้วก็บอกหมอประเวทว่าถ้าหมอว่ามันหายง่ายอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปแล้วคือเรี่ยวแรงกลับมาทันทีพอรู้ว่าไม่ได้เป็นอะไรก็คือเป็นแค่พยาค่อนั้นเองแต่ทําไมทีแรกถึงไม่มีแรงแรงมันมีอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไร แต่ว่าใจต่างหากที่ไปปรุงแต่งไปในทางที่เลวร้ายจะ ก, กังวลว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านาะหรือว่าเป็นโรคร้ายหรือเปล่าพอไปคิดปรุงแต่งอย่างนี้เข้าเนี่ยแล้วก็ไปหลงเชื่อความคิดเข้ามันก็เลยพานให้ไม่มีแรงเอาเสียเลยแต่พอรู้ความจริงเข้านะมันก็มันก็ปลดล็อกนะก็กลับมีเรื่องมีแรงขึ้นมาใหม่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม ใจนี่มันมีความสำคัญมากนะจะเรียกว่าคนเรานี่จะสุขหรือทุกข์นี่ก็เพราะใจเป็นสำคัญถ้าหากว่าใจมันเป็นไปในทางกุศลหรือเป็นไปในทางบวกบางทีไอ้ความเจ็บปวดทางกายมันก็กลายไปเรื่องเล็กน้อยไปเลยแต่เมื่อไม่ไม่กี่เดือนมานี้ก็มีการทดลองการทดลองนี้ก็เริ่ตัวมาจากการที่นักวิจัยเขา คนพบว่ามียาตัวใหม่เป็นยาแก้ปวดชนิดที่เรียกว่าพึ่งค้นพบมาเขาต้องการพิสูจน์หรือทดสอบว่ามันมีฤทธิ์ในการระงับปวดได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็ไปเอาอาสาสมัครมา2กลุ่มกลุ่มละ40คนก็ทดสอบนะทั้ง2กลุ่มนี้ก็จะได้รับการทดสอบคล้ายกันก็คือว่าจะโดนไฟฟ้าช็อตที่ข้อมือเสร็จ แ, แล้วก็ให้วัดว่า เจ็บปวดแค่ไหนให้คะแนนความเจ็บปวดว่ามันกี่คะแนนหลังจากนั้นก็ให้กินยาตัวที่ว่ากลุ่มแรกก็หมอก็บอกว่ายาตัวนี้มันราคา2 50นะกลุ่มที่2ก็บอกว่ายาตัวนี้มันราคา10เซนต์ต่างกันเยอะเลยนะยีเท่าเสร็จแล้วก็ให้กินยาหลังจากโดนไ ฟ, ฟฟ้าชอ็อตตอกินยาเสร็จก็ช็อตใหม่ที่ข้อมือทีนี้ก็ให้วัด ดูว่าความเจ็บปวดเป็นเท่าไร่แล้วก็ผลการให้คะแนนนี่มาเทียบกันดูกลุ่มแรกซึ่งในยาสองเีย้านี่ก็บอกว่า 80% บอกว่าความเจ็บปวดลดลงหลังจากได้กินยาแล้วกลุ่มที่2ได้กินยา10เซนบอกว่า 60% ความปวดลดลงต่างกันพอสมควรเลยที่มน่าสนใจคือว่าจริงแล้วเนี่ยที่ให้ยาไปทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็เป็นตัวเดียวกัน ไม่ได้ต่างกันเลยแต่การที่บอกว่าราคามันต่างกันถึง25เท่าเนี่ยนะก็มีผลต่อความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าไม่เจ็บปวดที่ได้ยาแพงก็จะรู้สึกว่าเออปวดน้อยลงที่ได้ยาถูกก็รู้สึกว่ามันปวดปวดน้อยลงแต่ว่าคนที่รู้สึกว่าปวดน้อยลงยังมีน้อยน้อยกว่ากลุ่มแรกที่มันยิ่งกว่านั้นคือว่าที่จริงแล้วยาที่ให้ไม่ใช่ยามันก็เป็นแค่แป้ง แต่พอบอกว่าให้เป็นยาเนี่ยว่าเป็นยาระงับปวดให้ความรู้สึกว่าความปวดลดลงก็เกิดขึ้นทันทีอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของความรู้สึกพอใจเนี่ยมันคิดไปในทางที่เป็นบวกว่าได้กินยาระงับปวดแล้วเนี่ยนะให้ความปวดทางกายมันก็ลดลงได้เหมือนกันนะหรือบางทีอาจจะไม่ปวดเลยก็มีคนที่ฝึกว่ายอย่างดีเขาก็สามารถที่จะใช้จิตของเขาเนี่ยระงับปวดได้ ยังมีลายหนึ่งเป็นมะเร็งลำไส้ปวดมากนะจนยานี้เอาไม่อยู่แต่ว่าเขาก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติทำมาก็เรียกว่าพอใช้ได้อันนี้คุณหมออมราเล่าให้ฟังว่าพอปวดมากๆเนี่ยพอเอาสติเนี่ยยกจิตมาอยู่ที่หัวไหล่แล้วก็มาดูกายที่เจ็บปวดพอเอาใจมาดูกายที่เจ็บปวดเนี่ยไอความทุกข์ที่จิตเนี่ยมันหายไปเลย เห็นแต่กายที่เจ็บปวดแต่ว่าใจนี่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดไปด้วยเลยเหมือนกับเฝ้าดูคนอื่นที่กำลังปวดอยู่แต่ว่าพอสติอ่อนเมื่อไหร่ใจมันก็เข้าไปรวมากับกายก็จะรู้สึกปวดขึ้นมาทันทีปวดแบบแทบไปทนไม่ได้แต่พอตั้งสติขึ้นมาได้นี่ก็จิตก็มาอยู่ที่เดิมแล้วก็มาดูกายความเจ็บปวดความทุกข์ที่จิตมันก็บรรเทาไป จนกลายเป็นปกติชีอเห็นแล้วว่าเรื่องของสุขหรือทุกเนี่ยนะใจเนี่ยมีความสาคัญมากแต่ว่าคนเรามักจะไม่ค่อยให้ความสาคัญกับเรื่องของใจเท่าไหร่เราไปให้ความสาคัญกับเรื่องกายเยอะจนลืมที่จะดูจิตดูใจหรือว่าพัฒนาจิตใจของตัวเวลาป่วยก็คิดแต่ว่าจะหายามาบรรเทาแต่ไม่ได้ดูว่าละใจเรามีส่วนมากน้อยแค่ไหน เวลามีคนตําหนิเวลามีคนด่าว่าเราเราทุกข์เราเสียใจเราโกรธเราก็มักจะไปมองว่าคนอื่นนั่นเป็นสาเหตุแต่เราไม่ได้กลับมาดูใจของเราว่าแล้วใจเราเรามีส่วนมากน้อยแค่ไหนเป็นเพราะเราเอาแต่หมกมุ่นคุณคิดยึดติดกับคําตําหนิคําต่อว่าเรื่องมันก็ผ่านไปเป็นวันผ่านไปเป็นเดือนแล้วแต่ว่า ก็ยังทุกอยู่อันนั้นเป็นเพราะว่าเรายัางไปยึดยังไปหวนคิดถึงถ้อยคาถึงเหตุการณ์เหล่านั้นใช่ไหมถ้าเราเพียงแต่ปล่อยวางมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราทุกได้คนเราทุกเนี่ยนะมันเพราะว่าไปยึดติดกับอดีตกับอนาคตซีเยอะเรื่องที่ผ่านไปแล้วแต่ว่าก็ยังปล่อยวางไม่ได้เก็บเอามาคิด คำตำหนิมันก็เป็นเพียงแค่คำพูดที่มันก็จะละลายไปกับสายลมแต่พอเราไปเก็บเอามาคิดมันก็กลายเป็นของจริงที่ดังอยู่ในหูของเราอยู่ตลอดเวลามันมืนก็ว่าเราเปิดเทปกรอเทปซ้ําแล้วซ้าําเล่าเสร็จแล้วใจเราก็ทุกข์เองเรื่องอนาคตก็เหมือนกันนะมันยังไม่ทันเกิดขึ้นแต่ไปวิตกล่วงหน้าหรือว่าตีตนไปก่อนไข้ก็ทําให้เราทุกข์ได้เวลาเรากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ไม่ว่าจะกลัวผีหรือว่ากลัวเป็นนั่นเป็นนี่ลองดูเถอะมันเป็นเรื่องของอนาคตทั้งนั้นคือเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดแต่ว่าเราไปปรุงแต่งเอาไว้ล่วงหน้าปรุงแต่งเอาไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยเป็นทุกข์เองเป็นทุกข์เพราะความคิดต่อกลัวนี่เรากลัวความคิดนะเราไม่ได้กลัวสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันยังไม่เกิดเราวิตกเพราะความคิดของเราพระเจ้าได้ตัดแนะสอนพระนันทิยะไว้ แต่ว่าไม่พึงยึดติดกับอารมณ์อันเป็นอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินรถที่ได้ลิ้มรถไม่ได้หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเท่านั้นท่านยังตรัสอีกว่าถ้าเขาด่าว่าเราบนบกให้วางบนบกอย่าเอาลงน้ําถ้าเขาด่าว่าเราในน้ําให้กองไว้บนที่น้ําอย่าเอาขึ้นบกถ้าเขาด่าว่าเราในเมือง ก็ให้กองไว้ที่เมืองอย่าเอาไปเชตวันเวลาเราถูกตำหนิหรือเราเห็นภาพที่ไม่พึงพอใจเราแบกเอาไปจนข้ามมันข้ามคืนใช่หรือเปล่าถ้าเราลองทำอย่างที่พ่อเจ้าแนะนะกับพระนันทิยาชีวิตนี้ก็จะปลอดโปรง่งใครเขาพูดอะไรไม่ถูกใจก็กองไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องเอาติดตัวไปด้วยเขาตาหนิที่สานักงานก็กองไว้ที่สำนักงาน ไม่ต้องเอาไปที่บ้านฟังข่าวดูโทรทัศน์ได้ยินได้รับรู้เรื่องอะไรที่ไม่น่าพอใจเกิดควา ม, มุดีขึ้นมาก็กองไว้ตรงนั้นแหละกองไว้ที่หน้าโทรทัศน์นั่นแหละไม่ต้องเอาไปด้วยถ้าจะเอาไปก็เอาไปแต่เรื่องที่ว่าเออเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากสิ่งที่เราได้ยินแต่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นประโยชน์จากเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเลยก็กองไว้ตรงนั้นแหละจริจริงไม่เพียงแต่กองสิ่งที่ไม่ดีนะบางทีคำชมเรา เราได้คำชมมาได้คำสรรเสริญมาก็ควรจะกองไว้ตรงนั้นด้วยจะดีที่สุดเลยใครเขาชมเราบนบกก็กองไว้บนบกไม่ต้องเอาไปลงน้ําใครเขาชมเราที่สํานักงานก็วางไว้ที่สํานักงานนั่นแหละไม่ต้องเอากลับไปบ้านเพราะว่าถ้ามีความยินดีพอใจในคําชมเวลาเจอคําตําหนิมันก็จะทุกข์ยิ่งดีใจพอใจเมื่อได้รับคาชมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทุกข์เวลาถูกตําหนิมากเท่านั้น คนที่หัวเลาอเสียงดังมักจะร้องไห้เสียงดังด้วยคนที่ล็อหัวราะเบาๆเวลาเจอเรื่องเศร้ามันก็ก็จะร้องไห้เบาๆเหมือนกันที่บอกไว้แล้วคนเราเนี่ยทุกข์เพราะเรื่องของอดีตแล้วก็อนาคตมากใจที่ชอบไปยึดไปแบกเอาไว้มันทุกข์นะเวลาแบกเอาไว้อะแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะแบกแล้วก็ไปทำร้ายตัวเอง ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์บางทีมันเหมือนกับว่ายิ่งคิดก็มืนกักรีดลงไปในหัวใจนึกถึงคนที่เราโกรธเราเกลียดที่ทระยศหักหลังเราก็ยิ่งทุกข์ยิ่งแทนคิดไปก็เหมือนกับว่าหัวใจมันถูกกรีดแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะคิดอดไม่ได้ที่จะมาทําร้ายตัวเองทีแต่ละครั้งก็เท่ากับว่าเรากาลังกรีดกรีดใจของตัวเราอย่าไปโทษใครนะต้องดูที่ใจของเราคนเราเวลามีความทุกข์เนี่ยมักจะมองออกไปข้างนอกตัว แต่ว่าไม่ค่อยมาดูใจของเราเท่าไหร่ไม่ค่อยมาดูตัวเองเท่าไหร่ว่าเป็นเพราะใจของเราหรือเปล่าที่มันวางไว้ผิดที่วางไว้ผิดทางหรือไปยึดไปแบกสิ่งที่ไม่สมควรจะไปยึดไปแบกเอาไว้สิ่งที่เราทำไม่ดีแทนที่จะเก็บเอามาเป็นบทเรียนบางทีก็เอามาทำลายตัวเองสองสมันก่อนก็มีคนสองคนเข้ามาปรึกษาคนนึงเขาบอกว่าเขา เจองูเขียวในบ้านเขากลัวเขาก็เลยให้เพื่อนมาจับงูไปเพื่อนนี้ก็จับงูไปก็ใส่ถุงแล้วก็ผูกผูกปากถุงเอาไว้ไปทิ้งขยะพอมารู้เขาก็เสียใจว่างูตัวนั้นสงสัยคงจะต้องตายเพราะไม่มีอากาศหายใจก็มีความเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกผิดในแรงขนาดที่เราว่าฝันในฝันถึงงูเลยงูมาหาในฝัน คนที่พูดนเป็นผู้ชายนะก็กลุ้มใจมาปรึกษาอีกคนนึงก็เด็นผู้หญิงขับรถแล้วก็แมวมันวิ่งตัดหน้าก็ไม่ทันเห็นก็ชนมันตายก็สึกเสียใจกลุ้มอกกลุ้มใจเลยไม่ใช่แค่เสียใจธรรมดากลุ้มใจคงจะกลัวว่าบาปกรรมมันจะมาเล่นงานคือความเสียใจนี้ก็ดีนะแต่ว่าถ้าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางในสิ่งที่ได้ทาลงไป มันก็มาคอยหลอกหลอนทําให้เราจมปลักอยู่กับเรื่องอดีอตอาตมาก็บอกคนที่ทําแมวตายว่าไอ้แมวที่มันตายไปแล้วเราไม่สามารถจะทําให้เขาฟื้นขึ้นมาได้แต่สิ่งที่เราสนใจคือว่าทำไงถึงจะไม่ให้แมวตัวอื่นต้องมาตายด้วยน้ํามือเราเพราะฉะนั้นก็พยายามฝึกใจให้มีสติเอาไว้มีความระมัดระวังไม่ใช่มาเอาแต่มัวเสียใจในเรื่องที่ผ่านไปแล้วซึ่งเราไม่สามารถทําให้มันดีขึ้นได้ แมวตัวที่ตายไปแล้วเราไม่สามารถทำให้เขาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้แมวตัวอื่นต้องมาตายได้มาใส่ใจตรงนี้ดีกว่ามองไปข้างหน้าดีกว่าว่าเราจะระมัดระวังเพื่อไม่ให้แมวหรือว่าคนอื่นต้องมาเดือดร้อนเพราะฝีมือของเราได้อย่างไรความเสียใจนั้นดีนะแต่ว่าถ้ายังมัวแต่ยึดติด ก, กับเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วก็มาซ้ำเติมตัวเองก็มีหวังว่าเกิดเหตุแบบนี้อีก เพราะว่าใจไม่มีสติเสร็จแล้วคนที่เป็นเหตุให้งูตายก็เหมือนกันนะถ้าไม่รู้จักวางนะมันก็จะคอยหลอกล่อเราอยู่ตลอดเวลางูก็อา จ, จะไปแล้วแต่ว่าไอความรู้สึกผิดมันยังคอยมาตามหลอกหลอนจนเหมือนก็ว่างูเขายังไม่ไปจากใจของเรารู้สึกผิดกับสัตวผิดมันต่างกันนะเวลา ร, รู้สึกผิดเนี่ยมันมันทรมานมากแล้วบางทีมันก็หาคอยหาแพ้รับบาปเพื่อมาถ่ายถอนความรู้สึกผิด แต่สำนึกผิดนี่มันหมายถึงว่าเรารู้ว่าเราทำไม่ถูกต้องและพยายามหาทางแก้ไขคนที่รู้สึกผิดคือคนที่ยังติดอยู่กับอดีตไปไหนมาไหนก็ไม่มีความสุขแต่คนที่สำนึกผิดได้นี่ก็จะมีความระมัดระวังคอยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุใหม่หรือเกิดเหตุซ้ำสองขึ้นมาอีกคนเราไปแบกเอาความทุกข์ไว้ทั้งทั้ที่รู้ว่ายิ่งแบกก็ยิ่งทุกข์ก็เพราะว่าไม่รู้ตัวเพราะลืมตัวและที่ลืมตัวก็เพราะว่าสติมันอ่อน สติคือความระลึกได้คนเราปกติก็มีสติอยู่แล้วแต่ว่ามันมักจะระลึกได้ในเรื่องที่เป็นเรื่องนอกตัวเช่นดูโทรทัศน์เพลินแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าตั้งน้ำเอาไว้หรือว่าทำงานเพลินก็เพิ่งมานึกได้ว่านัดคนเอาไว้หรือว่าเจอศัพท์ต่างประเทศแล้วก็คิดอยู่นานสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่า อ, อ๋อคำนี้แปลว่าอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องสตินะแต่เป็นสติที่ รา ล, ลึกได้กับสิ่งที่มันอยู่นอกตัวคือคือไม่ใช่ไม่ใช่เราลึกได้ในเรื่องที่เป็นกายและใจแต่สิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นก็คือสติที่เราลึกได้เราลึกรู้ในกายและใจเมื่อเราเผลอยึดไปปรุงแต่งกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือว่าไปมัวหมวกมุ่นคลุ้นคลิดกับเรื่องในอดีตให้มีสติรู้เมื่อมีสติรู้มันก็วางได้มันวางเอง แต่ถ้าเราไม่มีสติมก็จมเข้าไปในความคิดความนึกนั้นแต่แล้วเราก็ทุกเองทุกวันนี้นี่เราก็ลืมตัวเสเยอะเราก็เลยเอาความทุกมาใส่ตัวเอาความทุกมาใส่ใจแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจเรารู้เราตระหนักว่าสุขหรือทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราเป็นสำคัญเนี่ยก็จะมาให้ความสำคัญกับเรื่องการฝึกจิตฝึกใจให้มากขึ้น เดียวเพราะเรื่องการเจริญสติพวกเราเรื่องการทำบุญให้ทานการทำความดีเราก็ทำกันมาเยอะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเรื่องการฝึกใจหรือภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนาเนี่ยยังอาจจะไม่ค่อยให้ความสาคัญกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มมาฝึกอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่วันแรกๆว่าการฝึกจิตเนี่ยมันไม่ต้องใช้เวลาพิเศษ ถ้ามีเวลาหายใจอันนั้นก็มีเวลาปฏิบัติธรรมมีเวลาภาวนาแล้วเพราะว่าการหายใจแต่ละครั้งนะถ้าเราไม่ใช่หายใจปเปล่าเราหายใจแล้วก็ให้ความให้ลมหายใจนั้นดังความสงบมาสู่ใจอันนั้นก็ใช่ภาวนาหรือว่าเวลาหายใจเนี่ยก็ให้รู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าและออกไม่ต้องเพ่งก็ได้ไม่ต้องนับก็ได้ให้แค่รู้สึกถึงลมที่มากระทบที่ปลายจมูกอันนั้นก็ใช่เวลาเราเดินไปไหนมาไหน รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายโดยที่ไม่ต้องคิดเอาว่าฉันกําลังเดินให้รู้สึกเบาๆให้รู้สึกเพียงแค่ว่ามัมีการเคลื่อนขยับขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่ารู้กายและก็เป็นการสร้างสติในกายได้เวลาเราขยับมือไปมาหรือว่าเกาวหลังเกาวขาใหม่ๆมันก็ทําไปโดยไม่รู้ตัวทําเสร็จถึงค่อยรู้ว่าโอ้ นี่เราเกาไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเรามันระลึกอยู่เสมอต่อไปเนี่ยเพียงแค่ขณะที่กาลังเอื้อมมือไปยื่นมือไปเกานี่ยังไม่รู้สึกแต่พอเกานละ้อา่ามันก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วไม่ใช่เกาโดยไม่รู้ตัวต่อไปเนี่ยเพียงแค่ทันทีที่จะเอื้อมมือขยับมือไปขยับแขนก็รู้ตัวขึ้นมาได้จะทำอะไรก็ตามเนี่ยให้ถือหลักว่ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่น อาบน้าถูฟันล้างจานอย่าปล่อยใจลอยอย่าไปคิดว่าจะต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะเพราะฉะนั้นตัวก็ล้างจานใจก็คิดงานการไปอันนั้นไม่ใช่วิธีการที่ดีไม่ทำให้เราเนี่ยฟุ้งซ่างนง่ายและต่อไปความคิดมันก็จะคุมไม่ได้แต่ก่อนความคิดเป็นของเราแต่ต่อไปเราจะเป็นของความคิด เราอยากจะนอนอยากจะพักแต่ความคิดมันไม่อยากให้นอนให้พักเราอยากจะมีความสงบแต่ความคิดมันไม่อยากให้เราสงบเพราะมันโกรธมันโกรธใครสักคนก็เอาแต่คุ้นคิดหาทางแก้แค้นเราเลยไม่สงบสักทีเพราะว่าเรากลายเป็นทาสความคิดไปซะแล้วเพราะว่าเราชอบปล่อยให้คิดสารพัดสารเพหรือว่าคิดเลียราดแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วก็ตามก็อยู่กับการกระทํำนั้นให้ใจมารับรู้การกระทํำนั้นแต่ถ้ามันจะเผลอไปก็ช่างมัน แต่ขอให้รู้ก็แล้วกันนะเผลอไปไกลแค่ไหนก็ขอให้เราลึกรู้ได้อันนี้เรียกว่ารู้ใจนะเราลึกรู้ในใจรู้ใจคือรู้ว่าใจมันเผลอคิดไปทันทีที่รู้ท่านแหละความเผลอก็หายไปใจก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่ทําให้มันเริ่มต้นที่กายเป็นหลักก่อนคือว่าทำอะไรก็ตามก็ให้ใจอยู่กับงานที่ทํานั้นโดยพ้องงานที่เป็นเรื่องของการใช้กายเดินไปทํางานเดินขึ้นบันไดยอย่าไปเชื่อเป็นเรื่องเล็กน้อย เราก็ให้พยายามรวบใจนี่กลับมาอยู่กับการเดินให้รับรู้ถึงการเดินที่เคลื่อนไปมาเวลาล้างจานมือมันเคลื่อนไปขยับมาก็เอารู้แต่ไม่ใช่ไปเพ่งมันนะไปเพ่งมือไปเพ่งเท้าขณะที่ล้างจานขณะที่เดินนี่รับรองว่าจะวางของไม่เป็นที่แน่นอนมันไม่เป็นธรรมชาติแทนเป็นสบายๆการไปเพ่งไม่ทำให้เราไปรับรู้เฉพาะจุด ไปเพ่งที่มือก็รับรู้แต่เฉพาะมือและเวลาจะวางของวางจานวางชามก็เลยไม่เป็นที่เป็นทางไม่เป็นระเบียบแล้วเพราะมันไม่เป็นธรรมชาติสัพพัญญะไม่เกิดเวลาเพ่งเนี่ยสัพพัญญาคือตัวความรู้ตัวเวลาทําการงานต่างๆสติคือความระลึกได้สัพพัญญะคือความรู้ตัวสัพพัญญานี่มันสําหรับการทํางานต่างๆให้เป็นไปด้วยความรู้ตัวนะอย่างถูกต้องถูกเวลาลายของแต่โมโหที่คนมา ต่อราคามากเกินไปก็ด่าลูกค้าอันนี้เพราะลืมตัวลืมตัวก็เลยเลยไล่ลูกค้าไปเลยเรียกว่าสติก็ไม่มีสัมปชัญญะก็ถดถอยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติระลึกได้เนี่ยจะทำอะไรก็ทำได้อย่างถูกต้องเวลาประชุมอาจจะหงุดหงิดลาคาญโมโหใครสักคนนะอยากจะด่าว่าไปแต่ว่ามือสติระลึกได้ก็สามารถที่จะพูดคุยเข้าอย่างถูกต้องนะสามารถชักชวน ชีชวนให้เห็นในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์อันนี้ก็เรียกว่าสัพพัญญะมันใช้การได้แต่ว่าเราก็พูดลม้มๆกันไปแหละ ว, ว่าเป็นเรื่องสติแต่ความสำคัคือว่าต้องให้ระลึกได้นะแล้วก็รู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวคือรู้กายรู้ใจใหม่ๆก็ให้รู้กายก่อนทํางานในชีวิตประจําวันของเราแม้แต่เวลาอยู่นิ่งๆรอรถเมย์นั่งรถครึงนิ้วไปตามลมหายใจก็ได้แต่ตามลมหายใจอาจจะชา้าอาจจะยากมันเบา ครึ่งนิ้วไปนะไม่ต้องขยับมือก็ได้อย่าไปเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมมันต้องขยับมือ14จังหวะครึ่งนิ้วกระดิกนิ้วนะเบาๆการครึ่งนิ้วมันก็เป็นการเตือนเตือนใจให้มีสติอยู่กับปัจจุบันบางทีนั่งรถแล้วก็เมอมองออกไปข้างนอกใจก็ไปอยู่กับข้างนอกอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องอดีตหรืออนาคตแต่ใจมันไปปักอยู่กับสิ่งที่เป็นภาพที่เห็นในปัจจุบันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะยึดติดกับปัจจุบันก็ไม่ถูก เพราะว่ามันทำให้เราลืมตัวลืมใจลืมกายลืมใจฟังอย่างเงี้ยเวลาฟังเนี่ยถ้ามาจดจ่ออยู่กับคำพูดมากมันก็ปรุงแต่งเป็นความคิดก็ลืมกายลืมใจลืมว่ากำลังนั่งอยู่ตรงนี้แม้แต่ว่ากำลังคิดเรื่องที่พูดก็ตามแต่ว่าในบางครั้งบางทีเราก็ต้องอาศัยสมาธิในการคิดอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่บางทีเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสาคัญที่จะต้องจาเป็นเฉพาะหน้า อย่างเช่นกำลังฟังอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมีเสียงเสียงรถข้างล่างหรือว่าเสียงคนพูดคุยอยู่ข้างล่างหรือว่าเสียงคนกำลังตีตะปูอยู่ไกลๆที่จริงเสียงมันอาจจะเบากว่าเสียงอัตมาแต่ว่าพอใจเราไปปักอยู่ตรงนั้นน่อยู่กับเสียงที่คนกำลังคุยกันข้างล่างหรือว่าเสียงคนงานกำลังก่อสร้างทำงานอยู่แม้มันจะเป็นเสียงเบาแต่พอไปปักอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็น เสียงที่ดังขึ้นดัง ข, ขึ้นเรื่อยๆจกนกระทั่งฟังเทอตมาพูดไม่ได้จิงก็ได้เพาราะจํา ไ, ไปปักอยู่ตรงนั้นยึดติดกับปัจจุบันก็ไม่ใช่ทางใหเราต้องมีสติช่วยทําให้เราเนี่ยกลับมารู้กายรู้ใจในปัจจุบันขณะได้ให้อยู่นิ่งๆก็คลึงนิ้วไปหาอะไรเคลื่อนไหวเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อยู่กับปัจจุบันเตือนใจให้ระ ล, ลึกรู้อยู่กับกายและใจอย่างต่อเนื่องเราจะมีเวลาสําหรับการปฏิบัติในรูปแบบ 10นาทีก็ยังดีนะอาจจะนั่งหลับตาตามลมหายใจหรือว่าจะเดินจงกรมก็แล้วแต่ถ้ายาวกว่านั้นก็ยิ่งดีเรามีเวลากับเรื่องอื่นเยอะแล้วแค่การแต่งหน้าทาปแป้งแต่งตัวนี่เราก็ใช้เวลามากกว่า10นาทีอยู่แล้วเราอยู่ในห้องน้ำนี่บางที่เป็นชั่วโมงนะแต่ว่าเวลาจะอยู่กับตัวเองเวลาจะอยู่กับจิตกับใจงตัวเองกลับไม่มีเวลาอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่ให้ความเป็นธรรมกับจิตใจเราไปให้เวลากับเรื่องร่างกายซะเยอะ แต่เรื่องจิตใจเราไม่ยอมให้เวลาบ้างว่าไม่มีเวลาในชีวิตประจำวันเรานี่สามารถเป็นการปฏิบัติทำได้ตลอดเวลาก็คือเป็นการเจริญสติทีแรกก็รู้กายก่อนต่อไปก็ลองมาฝึกมารู้ใจคือว่ามันมีความคิดนึกอะไรก็ให้รู้ทันเลยเพราะความคิดนึกที่เผลอคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดรวมทั้งความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นโกรธโมโหเซงเบือ่อก็ให้รู้ใหม่ๆมันก็ไม่รู้หรอก นะมันก็ไปตามความอยากไปตามอารมณ์โกรธใครก็คิดแต่จะเพ่งโทษคนนั้นคิดแต่จะหาทางเล่นงานหาทางจะด่าแต่พอมีสติรูออ้ความโกรธก็ค่อยๆทุเลาเบาบางไปให้รู้อยู่ในทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะไปหงุดหงิดโมโหที่เกิดอารมณ์โกรธกับใครบางคนก็ให้รู้ความหงุดหงิดนั้นนะให้รู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นการเจริญสติแล้วก็จะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นของดีไม่ใช่เป็นของเสีย โกโรธก็ดีเหมือนกันเมื่อเรารู้ว่าเรากโกรธโมโหโก็ดีเหมือนกันเมื่อเรารู้ว่าเราโมโหโท้อแท้เบื่อหน่ายก็ดีเหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเราท้อแท้เบื่อหน่ายไอ้รู้แต่ละขณะแต่ละขณะนี่แหละม่นทาให้สติเราจะเลยงอกงามจนกระทั่งสามารถที่จะปลดเปื้องเราออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้ต่อไปพอโกโรธแล้วก็รู้มันก็วางได้ ท, ทันทีต่อไปมันทําถ้าจะเกิดก็รู้มันแล้วรู้มันทันทีที่มันขยับทันทีที่จิตไหวนี่ก็รู้แล้ว เห็นของอะไรอยากจะซื้อก็รู้ทันความอยากนั้นเห็นความอยากก่อนที่เรายังไม่รู้ทันเห็นเหมือนก่อนแต่บางทีไปเห็นเราหลังจากที่ซื้อเรียบร้อยแล้วค่อยมาเห็นไม่เป็นไรต่อไปมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นทันที่ที่ความอยากเกิดขึ้นมันรู้เลยบางทีความอยากมันเกิดขึ้นปุ๊บนะแล้วมันก็หายไปเพราะว่าเราทําตามความอยากเรียบร้อยแล้วเช่นอยากจะเกาเราเกาทันทีความอยากหายอาไม่เห็นแล้วแต่ต่อไปนี่พอมันอยากปุ๊บรู้ปั๊บให้ความอยากนี้บางทีมัน เห็นยากนะพอมันเกิดขึ้นแล้วเรารีบสนองมันทันทีมันก็เลยดับไปเลยอยากจะตบยุงหรือว่าอยากจะเดินอยากจะขยับพอขยับปุ๊บความอยากหายเราก็เลยไม่เห็นมันแต่ว่ามารู้ทีหลังก็ยังดีต่อไปพอมันเกิดขึ้นก็รู้แค่อยากนั้นก็รู้ให้มันวัยให้มันละเอียดอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ไปจ้องไปเพ่งไปดักมันล่วงหน้าไม่ใช่ถ้าทํางั้นก็จะทุกข์แล้วก็อย่าลืมทักท้วงความคิดด้วย ทักท้วงความคิดอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยชอบปรุงแต่งไปในทางไม่ดีซะเยอะความวิตตกร่วงหน้าเกิดจากการปรุงแต่งสร้างภาพไว้ล่วงหน้าว่าฉันจะต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้หมอบอกว่าเป็นมะเร็งหมอบอกเป็นโรคหัวใจแค่นั้นละสุดเลยเพราะมันไม่ใช่เพียงแต่สร้างภาพว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ว่ามันไปยึดเอาภาพที่สร้างขึ้นแล้วก็เลยทุกข์เสียเองหัดทักท้วงความคิดบ้างของหายก็ไปรีบเหมาแล้วว่าคนนี้คนนั้นต้องออกไป ทัทวงความคิดสบายใจเพิ่งไปโทษเขาบางทีหลอา จ, จะวางไว้ไม่เป็นที่บางทีมันอาจจะตกหล่นอยู่ที่ไหนสักแห่งนะเพชรเอ่ยส้อยเอิญมีหนูเข้าไปนะกุฏิธรรมานี่บางทีของแปลกๆหายไปนี่ถ้าเผลอมื่มอไรก็ไปเนื้นอคนเข้ า, าไปบางทีไอตัวเขาเรียกว่าทำไดรฟ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับหนูเลยนะแต่หนูมนก็เอาไปเก็บสะสมเหมือนกันหายไปก็นื้ว่าไอ้ใครเอาไปนะที่แท้ไอ้หนูมันเอาไปเนี่ยมันชอบนะเอาอะไรสารพัดนะ แล้วเราก็รู้มันจะไปรีบสรุปล่วงหน้าในเมื่อยังไม่เห็นกับตาหรือไม่มีหลักฐานต้องทักท้วงความคิดของเราว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นไม่งั้นเราเด็นทุกข์เราเร า, เราจะเป็นศัตรูกับคนไปทั่วในเรื่องที่เราสร้างภาพขึ้นมาเองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อยากจะเชื้อชวนให้เราได้ทดลองปฏิบัติทักท้วงความคิดนะไม่ไปเป็นคาดความคิดรู้จักเิจนว่าความคิดเสบ้างาทาแล้วก็ตามก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้น กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นแล้วก็รู้ทันหรือระลึกรู้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นยังไม่รู้ทันไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นแล้วค่อยมาตามรูท้ทีหลังก็ยังดีแต่ตามรู้บ่อยๆตามรู้บ่อยๆก็จะไวขึ้นไวขึ้นจนกระทั่งกระชันมันตามมันอย่าง ก, กระชันชิดเลยเพียงแค่มันขยับเพียงแค่มันไหวก็รู้ไหวนี้ไม่ใช่แค่ไหวทางจิตนะกายเวลาไหวก็รู้เพียงแค่ขยับขาก็รู้เพียงแค่ขยับมือก็รู้ รู้แล้วมันเป็นปัจจุบันนะมันก็เกิดความปลอดโปร่งผ่องใสเพราะคนเราที่อยู่กับปัจจุบันแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรที่จะเป็นทุกข์แต่ต่อไปปัจจุบันมันก็จะมีเรื่องทุกข์เข้ามานะความเจ็บความปวดมันเป็นปัจจุบันมันไม่ใช่อดีตอนาคตเป็นของจริงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่ปวดนั้นมันเป็นกายปวดไม่ใช่ใจปวดแต่ถ้าไม่มีสติกายมันก็เผลอเข้าไปยึดความปวดของกายเป็นของใจแต่พอเรามีสติอ้าวเห็นมันเห็นมันว่ามันก็เป็นอันหนึ่งไม่ใช่เรา มันเป็นความปวดที่เกิดขึ้นกับกายไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจปวดพอใจไม่ปวดแล้วความปวดมันก็ลดลงทุกทรมานก็เป็นแค่ทุกขเวทนามันต่างกันนะระหว่างทุกขเวทนาก oh ับทุกทรมานทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายทุกทรมานเป็นเรื่องของใจแต่ส่วนใหญ่พอเกิดทุกขเวทนาที่กายและใจมันก็เข้าไปยิบไปแบกเป็นของมันมันก็เลยทุกทรมานแล้วเราก็เลยเกิดความร mm. ู้สึกว่าเราทุกเราทุกเราทุกแต่พอมีสติโอ้ยเราคืนไปเลยนะ คืนความทุกข์ให้เป็นของแค่กายนะหรือว่าเวลาโกรธเนี่ยเราทุกข์ทุกข์กับความโกรธแต่พอเห็นความโกรธเข้าก็คืนความโกรธให้เป็นเรื่องของใจไปแต่ดูไปดูไปมันไม่ใช่ใจที่โกรธนะความโกรธก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งแต่พอใจมันเผลอมก็ไปยึดเอาความโกรธเป็นของมันใจทุกข์เราก็เลยเราทุกข์ไปด้วยเลยมันซ้อนๆกันอย่างนี้แหละแต่พอมีสติเห็นมันก็จะวางได้หรือถึงไม่วางก็แยกออกมา ให้เป็นเรื่องของกายไปไม่ใช่เป็นเรื่องของใจอย่างที่ยกตัวอย่างคนที่เขาปวดเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยมันปวดกายเหลือเกินนะแต่พอมีสตินี่เขาก็ก็ใช้วิถีของเขานะคือว่าเหมือนกับว่าเอาใจมาอยู่ไว้ที่ไหลใจมาอยู่ที่ไหลแต่ก็พอมีสติมันก็เห็นกายที่ปวดแล้วเราลองเป็นผู้เห็นมนไม่ใช่ผู้เป็นอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนว่า <S <S 2> <S 2> เห็นเห็นเห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นเมื่อเกิดขึ้นกับกายกับใจก็เห็นมันจะไม่เข้าไปเป็นมันจะไม่ไหลเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นอันนี้แหละนะ ในสุดแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีทุกขเวทนาแค่ไหนใจก็ยังเป็นปกติอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่เรียกว่าสามารถจะบอกไปชัดๆฟันทงได้เลย ว, ว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจแม้จะเจ็บปวดอยู่ใจก็ไม่ทุกข์ถ้าเกิดว่าใจมีสติ